เป็นสลบสลายจะเป็นระตายท่งจริงไม่ได้กินงานวิธีต่อสู้กับสิ่งชั่ ว, นวหนักขนาดไหนความชั่วมันหนักขนาดไหนความดีหนักขนาดไหนมันถึงทํากันความหล่อแหละหนักขนาดไหนความจริงจังหนักขนาดไหนมันถึงทํากันทำไมไี่เอามาคิดถึงนี่นะแต่ยิ่งถ้าเป็นเครื่องมือจับไส่นั้นใส่ทีเนี่ ผู้อารย์ว่าบัางกับวัดุว่าได้มันเป้นหมายเป็นเครื่องมือแล้วอย่างไงเป็นเครื่องมืออย่างรื่น ม, มือมันแล้วยังไงวิเดร์มันไม่ได้หล่ะแหละแต่มันทําคนให้เหล่อแหละแม่ตอพู ด, ดงั้นจะแก้มันยังไงจะแก้แบบหลาะแหลอย่างนี้เหรอแบบหลักรอ ย, อยนี่เหรอ แล้วเหลวไปเอะไปทุกวันทุกวันเนะเข้ามามากเข้มาเข้าเลือๆๆอเล่อเลื่อนเท่ากนหมดเราที่เคยทัเนินเคยปฏิ บ, ตบัววบติมากับครูกับอาจารยนี่ยปฏิบัติมากโดยลำดับลำ ด, ดัมันเป็นยังไงยังไงเจ่าของุูตําหยากเป็สาวอบรมเองทำไมมันจะไม่อยู่แล้วกับเวลาที่อยู่กับหมู่กับเันนี้เป็นยังไงทำไมจะไมาอยู่ ต้นไม้ผมไม่ทิ้งวั น, นให้เป็นสลักหลังไปส่งพระอสเตเดียกันนะชื่อพระชื่อมหาสมัยนะเห็นทางที่มหาสมัยนะวัดอะไรพี่มุมอสเตเดียน่ะบูตานสีเนะบูตานสี พุทธรังสีเลยมหาสมัยขีขึ้นมหามหลายวันนลลั่นหละตุ้มตอผมเขียนชื่อภาษาไทยเลยเียนข้างบนแล้วมาหาสมัย <Okay. S 1> แล้วก็เทปนั้น่เอามาให้ท่านนุ่โดนพุทไคยเอาไปทนั้นทนุ่นโดนไปผมฟังแล้วแหละอา่านนุกโดนเยอะ มืเรื่องสามเาอามัดติดคอต่นเยอะยินไห ม, มเรื่องสามมัดติดคออาจามันดื้อนะค <c oughs> อเน่ออกมัดติดคออ <c oughs> ันนี้ก็จะมาแต่บาทที่นี่แล้วให้เธอดเถิถถนะพระนะ มันเห็นพระพระน้อยนะวันนั้นนะ่ะใช่ไหมที่เราเดินมาเทีตอนนะ่ะวันนั้นนะ่ะน้อยใช่ไหม <c oughs> น้อยนีมีมีสะดุดหัวใจอยู่หลายหนลายหนมีมา <c oughs> มันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ่ยพระองค์นี้นะ่ะ <c oughs> ไปกุฏิเราก็เหมือนกันเหมือ น, นภาคทันกันไว้นะเดินนี่นะไปกุฏิเราก็มันเป็นยังไงอยในหัวใจเรานี่ มันพูดไม่ถูกมันักเป็นยังไงนี่นี่เรา อ, อย่างรู้แต่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ถูกมันไม่ไยึอะไรอย่ในหัวใจนี่เราบินตาเธอโน่นเธอนี่นี่องค์นี่ here. ผมไม่ลืมถ้าอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงก็สอนหมู่เพื่อ น, นมันจับปุ๊บเข้าในหัวใจสะเทือนเข้าในหัวใจแล้วมันจะลืมได้เพราะเรามันบอกแล้วว่าเราไม่ได้สอนเล่นๆสอนหมู่เพื่อนร่ำ ไ, ไม่ร่ำเล่นๆอย่างนี้นะ เราจึงไม่อย่ากลาบถ้าลาไปกินทุกอย่างทําอะไรกินทุกอย่างบอกแล้วเหตุผลไม่พร้อมไม่เอาเนี so ่ยถ้าแบบคือถูถูในไทยจำใจจำเชื่อจำคืนหนั่งกินมันเป็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละดิสมาดรักก็มีสมาดท่านว่างไงท่านสอนไรในหลักปรไหนหรือไม่ได้ดูเหรอมันสู้ดูหน้าคนสู้การเถอนอะไรอย่าเหีอย ดูทำดูวินหนมันไม่ดียิ่ยงกว่าการเผลอการมองนั่นเนอะมิตรมาเป็นปิติวัตรของพระดำเนินยังไงปฏิบัติยังไงนพระวินัยมีอยู่แล้วเนี่ยฟังไหมอย่างนนนี้ัย่าินั้น